เหตุการณ์ น, นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองในปีที่ผมต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารนั้นคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมเองก็คงไม่มีใครที่อยากจะไปเป็นทหารยังไงก็ไม่อยากจับได้ใบแดงเพราะถ้าได้ใบแดงแล้วผมก็ต้องลาออกจากงานตอนนั้นงานที่ทําอยู่ก็กําลังไปได้ด้วยดีและก่อนวันที่จะถึงวันคัดเลือกทหารหนึ่งวันผมก็นึกขึ้นได้ว่า อำเภอที่ผมอาศัยอยู่ก็มีศาลเจ้าปู่ประจำอำเภอเหมือนกันงั้นเดี๋ยวลองไปบนบานกับท่านไว้ดีกว่าและพอไปถึงศาลเจ้าปู่ผมก็ได้พูดไว้ว่าถ้าผมไม่ติดทหารผมจะบวชแก้บนเป็นเวลาเจวันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ผมกำลังจะได้พบเจอในอีกไม่นานพอวันต่อมาเป็นวันที่ผมต้องไปคัดเลือกทหารปรากฏว่าคาขอของผมเป็นจริง ผมจับได้ใบดำผมก็ต้องได้บวชตามที่ได้พูดเอาไว้หลังจากที่ผ่านพิธีกรรมอะไรต่างๆจนเสร็จสิ้นแล้ววัดที่ผมจะต้องไปจาวัดอยู่ก็คือวัดป่าที่อยู่ใกล้กันกับบ้านของผมเองสำหรับกุฏิที่ผมต้องเข้าไปอยู่นั้นจะเป็นกุฏิสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้กุฏิที่ผมอยู่นี้จะมีเพียงผมและหลวงตา พาลูกวัดอีกรูปหนึ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ห้องที่ผมอยู่นั้นจะเป็นห้องปูนที่ต่อเติมออกมาจากตัวกุฏิอีกทีหนึง่งประตูเข้าห้องผมก็จะแยกออกมาต่างหากจะไม่ได้เดินเข้าประตูดเดียวกับหลวงตากุฏิที่ผมอาศัยอยู่จะมีทั้งหมดสามห้องด้วยกันชั้นบนจะเป็นห้องของหลวงตาชั้นล่างจะมีสองห้องคือห้องของผมและอีกห้องไม่มีใครอยู่ ซึ่งห้องนั้นจะถูกล็อกกุญแจไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าคือห้องอะไรผมก็ไม่อยากถามอะไรมากกุฏิทั้งของพระและสามเณรทุกรูปจะอยู่ในเขตป่าช้าทั้งหมดกุฏิที่ผมอยู่ก็เช่นกันอยู่ในเขตป่าช้าแต่ก็ยังดีที่กุฏิที่ผมอยู่ยังมีถนนลูกรังเล็กๆผ่านหน้ากุฏิฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นศาลาหลังใหญ่ ที่ไว้สำหรับประกอบกิจวัตรของพระสงฆ์ในแต่ละวันส่วนด้านหลังกุฏิก็จะเป็นหลุมฝังศพเก่าๆและช่องปูนสำหรับเก็บศพที่มีสภาพเก่าแล้วเนื่องจากผ่านการใช้งานมาพอสมควรมันตั้งแต่งานอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันแม้แต่ตอนกลางวันมองดูก็ยังรู้สึกหลอนส่วนกุฏิพระพี่เลี้ยงผมจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากสักเท่าไหร่ ผมจะชอบเดินไปหาท่านเวลาช่วงเย็นเ็นหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วระหว่างกุฏิที่ผมอยู่กับกุฏิที่พระพี่เลี้ยงผมอยู่ช่วงกึ่งกลางก็จะเป็นเมรุเผาศพช่วงที่ผมบวชนั้นจะตรงกับช่วงสงกรานพอดีจึงไม่ได้เคร่งมากกับข้อปฏิบัติเท่าไหร่ตอนเย็นผมก็จะสามารถเดินไปหาพระพี่เลี้ยงได้โดยไม่ผิดอะไรช่วงวันสองวันแรก ผมค่อนข้างจะกลัวๆสักหน่อยเป็นธรรมดาของคนเราที่ต้องมานอนอยู่ในเขตป่าช้าก็ต้องมีหลอนๆกันบ้างและช่วงวันที่สี่เห็นจะได้ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นวันนั้นมีชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงได้เสียชีวิตลงแล้วทางญาติก็ได้นำศพมาไว้ที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาวันนั้น กว่าอะไรจะเข้าที่เข้าทางก็เย็นแล้วก็เหมือนเดิมพอตกเย็นผมก็ชอบเดินไปเล่นที่กุฏิพระพี่เลียงแต่มังเอิญว่าคุยกันเพลินไปหน่อยพอดูเวลาก็สองทุ่มกว่าเข้าไปแล้วและนึกขึ้นได้ว่าผมต้องรีบกลับไปสวดมนต์ก่อนนอนอีกผมก็เลยขอตัวกลับระยะทางจากกุฏิพระพีเลียงจนไปถึงกุฏิที่ผมอยู่ ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากอย่างที่บอกไปแล้วแต่วันนี้มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือศพที่ตั้งอยู่กลางศาลาพักศพตรงเมรุเผาศพนั่นเองแต่ก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากเพราะเราอยู่ในผ้าเหลืองคงไม่มีผีต้นไหนที่คิดจะมาหลอกพระเป็นแน่หลังจากที่เดินมาตามทางเพื่อกลับกุฏิและสมองก็คิดไปด้วยระแวงไปด้วยว่าจะมีอะไรใหม่ พอมาถึงศาลาพักศพผมก็หันหน้ามองไปทางที่ลงศพที่ตั้งอยู่เพื่อดูว่าญาติญาติของผู้ตายเขานอนกันยังไงเพราะจะต้องมีคนนอนเป็นเพื่อนคนตายแต่เอ๊ะอะไรกันทำไมไม่เห็นมีใครเลยแล้วญาติญาติเขาหายไปไหนกันหมดแต่ก็ได้แค่สงสัยผมคงไม่เดินเข้าไปดูใกล้ๆคนเดียวเป็นแน่จึงตัดสินใจรีบเดินต่อเพื่อใหถึงกุฏิวัยวๆ สายตามองเห็นแสงสว่างจากกุฏิแล้วก็ดีใจว่าจะถึงแล้วเพราะแสงนั้นมาจากชั้นสองซึ่งเป็นห้องของหลวงตาที่อาศัยอยู่กุฏิเดียวกันกับผมแต่ในช่วงเสี้ยววินาทีที่กำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการเดินเพื่อไปให้ถึงกุฏิหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามหลังมาเสียงเดินก็เป็นจังหวะเดินปกติ ไม่ได้มีความช้าจนน่าสงสัยหรือเร็วผิดปกติกจนผมคิดว่าพระพี่เลี้ยงคงเดินตามหลังผมมาเพราะท่านคงจะรู้ว่าเรากลัวขอคิดได้แบบนั้นผมก็หันหลังกลับไปมองดูต้นเสียงว่าใช่พระพี่เลี้ยงหรือเปล่าแต่แปลกมากไม่มีใครเสียงเดินก็เงียบเป็นไปได้อย่างไรก็เมื่อกี้ยังได้ยินเสียงเดินตามหลังเรามา ผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากเพราะใกล้จะถึงกุฏิแล้วก็เลยหันกลับมาแล้วเดินต่อครั้งนี้ก้าวขาได้ยังไม่ถึงห้ก้าวเลยเสียงเดินตามมาดังขึ้นอีกแล้วผมรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกและความรู้สึกตอนนั้นมันทำให้ขนลุกด้วยจากที่ผมเดินอยู่ทีนี้ผมก็เริ่มวิ่งแล้ว ในความคิดตอนนั้นความสำรวมในผ้าเหลืองแทบไม่เหลือแล้วขอวิ่งก่อนก็แล้วกันพอถึงห้องที่ผมพักผมก็รีบเปิดประตูเข้าห้องอย่างรวดเร็วพอตั้งสติได้สิ่งที่คิดได้ในตอนนั้นก็คือสวดมนต์เพราะยังไม่ได้สวดมนต์ตอนเย็นเลยพอคิดได้อย่างนั้นก็เริ่มที่จะสวดตามหนังสือที่มีอยู่หลังจากสวดไปได้สักพักหนึ่ง จนรู้สึกไดว้ว่าเรานิ่งแล้วเสียงดัง <c oughs> จากห้องข้างๆก็ทำผมหัวใจหล่นลงไปอยู่ตาตุ่มจนผมเผลอปากพูดออกมาว่าโอ้ย <c oughs> จะอะไรกันนักหนาอย่ามากวนกันเลยขอละ่ะ <c oughs> ไม่นานก็ได้ยินเสียงดังขึ้น <c oughs> <c oughs> เออแมวที่วัดเล่นเราแล้วละ่ะหลังจากนั้นก็สวดมนต์ต่อ ผมจึงรีบเข้านอนตื่นมาตีสี่ก็สวดมนต์จนเสร็จแล้วก็ออกไปทำกิจของสงฆ์จนเสร็จสิ้นแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันไปกับกิจวัตรต่างๆจนค่ำอีกเช่นเคยแต่วันนี้ผมไม่ไปกุฏิหลวงพี่ที่เป็นพระพี่เลี้ยงแล้วเพราะผมยังกลัวและรู้สึกหลอนอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า เรายังไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ใครฟังเลยมัวแต่ยุ่งจนลืมไปเลยแต่เขาช่างเถอะรีบสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วรีบเข้านอนดีกว่าในช่วงที่สวดมนต์อยู่นั้นผมก็ต้องรู้สึกขนลุกและหลอนขึ้นมาอีกเพราะมีเสียงเหมือนกับมีคนโยนลูกหรือเม็ดอะไรสักอย่างลงบนหลังคาห้องที่ผมพักอยู่ซึ่งทิศทางที่วัตถุนั้นมาตกกระทบหลังคาผมมั่นใจว่า มาจากปาช้าแน่นอนแต่ความสงสัยก็เกิดขึ้นอีกจนได้เพราะก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ที่กุฏินี้ผมก็ได้สำรวจดูแล้วว่าอยู่ห่างจากหลุมศพเก่ามากแค่ไหนและมีต้นไม้อะไรที่มีลูกมีเมล็ดไหมเพราะถ้ามีการหล่นหรือล่วงใส่หลังคาก็จะได้ไม่ต้องคิดอะไรไปเองว่าโดนผีหลอกและผมก็จำได้ว่าในบริเวณรอบๆกุฏิ ไม่มีต้นไม้ที่ใกล้พอที่จะมีอะไรหล่นโดนหลังคาเป็นแน่ในใจก็เริ่มคิดว่าเอาละสิโดนอีกแล้วแน่ๆพอคิดได้แบบนี้ก็รีบสวดมนต์ต่อเพื่อกรอบความกลัวแต่ยังไม่พอห้องข้างๆก็มีเสียงดังเหมือนมีใครเอาเล็บไปเกากับไม้ฝาบ้านจนผมเริ่มกลัว ทั้งสวดมนต์ไปด้วยทั้งระแวงว่าจะมีอะไรเข้ามาในห้องเราไหมความคิดตอนนั้นเริ่มสับสนไปหมดสวดมนต์ก็เริ่มผิดผิดถูกถูกแล้วขนาดว่าดูหนังสือไปด้วยก็ยังเริ่มไม่มีสมาธิผมจึงเลิกสวดมนต์พนมมือแล้วพูดว่าอย่ามากวนกันเลยนะผมมาบวชแก้บนเดี๋ยวไม่กี่วันก็ไปแล้วจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นะ หลังจากที่พูดจบเสียงดังบนหลังคาก็ทำผมสะดุ้งแทบขาดใจผมรีบมุดเข้าใต้ผ้าห่มไม่รอช้าทั้งกลัวทั้งสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกินไปแล้วนะมาแกล้งกันแบบนี้ทำไมผมอยู่ตัวคนเดียวทั้งกลัวทั้งโมโหไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้น นี่ทำอะไรอยู่รับหรื อ, อยังหลวงตาได้ยินเสียงอะไรหลนลงบนหลังคาห้องเหรอเท่านั้นแหละผมรีบกระโจนจากเตียงไปเปิดประตู ท, ทันที <c oughs> ก็เห็นหลวงตายืนอยู่ใจที่กลัวๆ ก, ก็เริ่มจะดีขึ้นเพราะอย่างน้อยก็มีหลวงตาอยู่เป็นเพื่อนหลังจากที่ตั้งสติได้แล้วหลวงตาก็เริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผมจึงเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าอะไรบ้างที่ผมโดนหลวงตายิ้มยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่านี่ไม่เป็นไรหรอกนะพระใหม่เขาคงอยากจะหยอกเล่นในใจผมคิดว่าหยอกแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ทำบุญให้สหรกทำกันได้หลังจากนั้นผมกับหลวงตาก็แยกย้ายกันเข้านอน พอตื่นเช้ามาด้วยความสงสัยผมเลยเดินไปดูว่าอะไรกันแน่ที่ลนลงบนหลังคาทำไมมันเสียงดังขนาดนี้แต่แล้วผมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหลังคานั้นไม่เห็นมีแม้แต่เศษกิ่งไม้หรือท่อนไม้ใดๆแล้วเมื่อคืนนี้คืออะไรล่ะจนวันสุดท้ายในวันที่ผมลาสิก ข, ขาผมก็ได้เป็นล่ำลาหลวงตา ที่อยู่กุฏิเดียวกันและความสงสัยเรื่องสุดท้ายที่คาใจก็คือห้องที่ล็อกอยู่นั้นคือห้องอะไรผมจึงถามหลวงตาไปตรงๆหลวงตาก็ใจดีเปิดห้องให้ดูเพราะไหนๆผมก็จะไม่อยู่ที่กุฏินี้แล้วพอเปิดเข้าไปในห้องผมก็ถึงรู้ตอนนั้นเองว่าห้องนี้เป็นแค่ห้องเก็บของที่ไม่ใช้แล้วและก็มีขวดโหลใส่กระดูกเก่าๆหลายใบ ลักษณะเหมือนกันตั้งเรียงอยู่ตรงข้างผนังแถมยังติดกับผนังห้องที่ผมอยู่เท่านั้นแหละผมจึงได้รู้เลยว่าสิ่งแปลกประหลาดต่างๆนั้นมาจากไหนจากนั้นผมก็ขอตัวลาหลวงตากลับบ้านอย่างไวโดยไม่หันหลังกลับไปมองที่กุฏิอีกเลย สัมผัสสิ่ย